หลับตาท้องฟ้าปัดทาสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมออยากบินไปบ้านเธอเธอคงรลับแล้วไม่รู้เอา ฉันเขียนให้เธอโดยไม่ฮารือบางครั้งฉันยังฝึกหรือบอกรักเธอน่าดูประโจบเธอเป็นแฟฉนฉันแล้วรู้ตัวบางไหมแล้วเมื่อไหร่นอฉันจะได้เป็นแฟนของเธอตอนนอนฉันเขียนบันทึก ยังเป็นทำ ก, แบบกัแกันไม่กล้าพอเรื่อราวความรักลงเอยทีย่อินหรือเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์บากคชุกวันรักฉันเหมืนเรียนที่ยอดกระฟุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรา Yeah. ยังเป็นทางการ